จเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้อัตมภาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามคณะผู้จัดทำรายการธรรมะสู่สันติปกติแล้วก็จะได้นําเสนอธรรมะบา ร, รยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคโลโอ จ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสำหรับวันนี้อาตมาภาพจะได้นําการสนทนาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยกับคุณอภิชาญปานปรีชาพิธีกรรายการพบผู้นําของเคเบิลทีวีช่อง15ราชบุรีในเรื่อง วัตถุประสงค์ของโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและกิจกรรมการเผยแพร่พระสัทธรรมตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายมาสู่ท่านสาธุชนซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้กล่าวถึงนโยบายการก่อตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและวัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม ให้กับทางรายการได้แพร่ภาพอากาศให้ชาวราชบุรีได้รับชมรับฟังจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาสดับวัตถุประสงค์ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายจากเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยพร้อมกันณบัดนี้ท่านฟังครับวันนี้เพราะคุณนำได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัย ชัยมังคโลโอเจ้าวาดวัดหลวงพสมธรรมกายารามนะครับที่จะมาสนทนากับพระผู้นําในวันนี้ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้สนทนาในเรื่องของวันแม่แห่งชาติความสําคัญความเป็นมาตลอดจนการที่ลูกๆจะต้องตอบแทนพระคุณของ ค, อคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะที่ผ่านมานะครับนับว่าเป็นมงคลกับรายการเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าวาดวัดหลวงพสมธรรมกายารามได้เมตตามาร่วมสนทนาอีกวาระหนึ่งครับ ขณะนี้พระเดชพระคุณนั่งอยู่ตรงนี้ในห้องสงกับผมแล้วครั บ, รบการมัสการพระเดชพระคุณครับเจริญพรเจริญชมคงต้องขออนุ ญ, ญาต เ, เรียกหลวงพ่อนะครับเนะจริญพรครับนะท่านผู้ชมทัานผู้ฟังครับที่ผ่านมานั้นหลายท่านหลายคนช่วงนี้คงจะได้ยินชื่อวัดหลวงพ่สถธรรมกายยารามอำเภอดำเนินสะดวกค่อนข้างจะบ่อยโดยเฉพาะในส่วนกิจกรรมของทางวัดซึ่งมีมากมายทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสําคัญสําคัญของพุทธศาสนาในวันสําคัญสําคัญของชาติครับ แต่ว่าหลายท่านหลายคนอาจจะไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจะเป็นด้วยเหตุผลหลายอย่างทีเดียววันนี้คงจะต้องขออนุญาตกราบเรียนถา ม, มพระเดชพระคุณถึงความเป็นมาเป็นไปแล้วก็ความกลัวของพีน่น้องประชาชนที่ถ่ายทอดผ่านมาตุนี้ว่าจริงๆแล้วชาวบ้านเขากลัวว่าวัดหลวงพ่อสดนะครับหลวงพ่อครับว่าเป็นวัดของคนรวยจริงๆตรงนี้คงจะต้องขออนุญาตหลวงพ่อได้ชี้แจงผ่านรายการว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงครับหลวงพออ่อจะรื่งโทความจริงไม่ใช่เรื่องวัดของคนรวยอะไรหรอกคุณโย เ, เรื่องก็มีอยู่ว่านโยบายในการสร้างวัดและในการสร้างคนนั่นเรามีนโยบายอยู่สองประการคือ 1. เพื่อสร้างพระในใจตน 2. เพื่อสร้างพระในใจคนคือคนอื่นเฉพาะในส่วนของการที่จะสร้างพระในใจคนอื่นนั้นจำเป็นจะต้องมีนโยบายในการ จัดการก่อสร้างให้เหมาะสมที่จะสามารถใช้เป็นศูนย์กลางของประชาชนทุกฐานะทุกเพศทุกวัยที่จะให้มีคุณสมบัติอย่างนั้นก็แปลว่านโยบายในการก่อสร้างการจัดที่สถานที่ทั้งหมดนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นสถานที่สะอาดออแล้วก็เรียบร้อย และสงบและร่มรื่นนี่ข้อที่หนึ่งที่นี้เมื่อบางท่านพอเห็นความสะอาดหรือเรียบร้อยในการจัดหนีก็จะมองว่าเป็นสถานที่สําหรับผู้รลักมากดีผู้ดีมีเงินนี่ข้อที่หนึ่งนะก็มักจะมีความรู้สึกว่าไม่กล้าเข้าข้อที่สองสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเราก็มีกําหนดว่าเราจะต้องกระทําให้เพียงพอ และให้เหมาะสม<ช>แก่ผู้ที่จะเข้ามาขอเข้ารับการศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติเพื่อสร้างพระในใจตนนั่นอีกแหละครับด<ช>ันี้นเมื่อจะให้เพียงพอเนี่ยมันก็จะต้องทําให้พอรับจํานวนคนได้<ช>นะฮะเพราะฉะนั้นนโยบายในการก่อสร้างเราก็จึงมีสิ่งก่อสร้างที่ดูเหมือนว่าจะโตสักหน่อยและก็ดูเหมือนว่าะจะสวยหรืออย่างไรทํานองนั้นนะครับ<ช>แต่ความจริงแท้นั้น ความโตรหรือความสวยเนี่ยแท้ที่จริงนั้นเราทำอย่างประหยัดแต่แให้ได้คุณภาพและว่ามีประสิทธิภาพเพราะเรามีวิศวกรที่เป็นพระนะมะีผู้ที่มาช่วยในการออกแบบให้ประหยัดเพราะฉะนั้นเงินทองที่ญาติโยมสาธุชนทำบุญไปมีเท่าไหร่อัตมาเอามาใช้เพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาทั้งหมดการก่อสร้างการใช้จ่ายทุกบาททุกสตังค์อัตมาควบคุมดูแลใกล้ชิด เพราะฉะนั้นเงินไม่รั่วไหลเพราะฉะนั้นการสร้างอย่างประหยัดนั้นเมื่อทําไปแล้วเงินน้อยแต่สามารถสร้างเสร็จได้อัตมาจะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นอาคารโรงเรียนเนี่ยมีคนมาอุทานบอกแหม่ี่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งสามชั้นเนี่ยจะต้องตกชั้นละสิบล้านแต่คุณโยมรู้ไหมอัตมาสร้างเสร็จภายในเท่าไหร่เก้าล้านห้าแสนเพราะเราทําอย่างประหยัดเพราะฉะนั้นเงินเราได้ไม่มากแต่ว่าเราใช้ไปอย่างมีประโยชนย์อย่างประหยัดที่สุด เพราะฉะนั้นจึงดูเหมือนว่าผลงานออกมามากแล้วทําให้คนนึกว่านี่เป็นวัดรวยมีเงินมากที่แทบเปล่าครับใช้ได้มาก็ใช้ไปเท่านั้นเองครับเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมนี่เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอย่าได้ไปคิดเป็นอื่นอาตมาดีใจสุริสําไหที่เห็นคนแก่นะฮิ้วเชี่ยนหมากมาเพราะโยมแม่อัตมาก็เคี้ยวหมากหยับๆเหมือนคุโยมนั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันเลยนะอยากให้เข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพระ มาปฏิบัติธรรมมาอยู่รับศีลอุโบสถนี่มาได้แล้วอัตมายินดีอย่างยิ่งเลยยินดีต้อนรับเลยผู้ที่เข้ามาเป็นพยานได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าไม่กล้าเข้ามาจงมาเถอะวัดนี้เป็นวัดของท่านไม่ใช่ของอัตมานะอัตมามีอายุไม่เท่าไหร่ก็คงจะตายแล้วนะรสร้างขึ้นทั้งหมดนี่เพื่อให้เป็นของประชาชนชาวราชบุรีและใกล้เคียงทั้งหมดหรืออีกในหนึ่งเพื่อประชาชนทั้งประเทศ ใครก็เข้ามาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องทำอย่างนี้ให้สะอาดสงบร่มรื่นและเรียบร้อย เนั้นเองจเจริญพรครับก็คงจะเป็นที่กระจางใจนะครับสําหรับหลายท่านที่สงสัยจริงๆแล้วบางท่านขับรถผ่านไปไม่กล้าที่จะเข้าไปในวัดด้วยซ้ําไปเพระมองว่าวัดนี้สําหรับใครสําหรับใครบางคนหรือเปล่าตรงนั้นนะครับวันนี้หลวงพ่อก็ได้เปิดใจนะครับว่าจริงๆแล้ววัดนี้สําหรับคนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นตรงนี้สามารถที่จะเข้าไปใช้วัดให้เป็นวัดอย่างสมบูรณ์ได้เต็มที่ครับ หลวงพ่อครับคงจะต้องขออนุญาตเรียนถามหลวงพ่ออีกประเด็นหนึ่งก็คือมีหลายคนที่ค่อนข้างจะสับสนว่าระหว่างวัดหลวงพ่อสธธรรมกายยารามก็ดีวัดพระธรรมกายที่จังหวัดปทุมธานีก็ดีตรงนี้ชื่อคล้ายๆกันครับหลวงพ่อครับคงจะต้องขออนุญาตให้หลวงพ่อได้อธิบายความเป็นมาเป็นไปของของทั้งสองที่ว่าจริงๆแล้วเกี่ยวพันกันไหมครับหลวงพ่อครับอ๋อไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพันกันเลยคุณโยมแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าล้วนแต่เป็นศิษย์จากวัด ปากนามภาษีเจริญด้วยกันนี่ข้อที่หนึ่งนะแต่ว่าคนละคณะบริหา ร, รและก็คนละนโยบายนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีอะไรเกี่ยวพันกั น, นะะแต่ในส่วนของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนั้นอัตมาจะขอเจริญพรที่มาที่ไปย่อๆนิดเดียวว่าวัดนี้ตั้งขึ้นจากสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งเรา ก่อตั้งขึ้นโดยมีพระเดชพระคุณเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสเกตและกรรมการมหาเถระสมาคมและก็เจ้าคณะใหญ่หุนกลางขนตะวันออกเป็นประธานสถาบันและมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ําภาษีเจริญรเป็นรองประธานอย่างนี้แล้วมีอาตมาเป็นกรรมการผู้อำนวยการเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ วัดนี้จึงอยู่ในความดูแล ข, ของพระมหาเถระผู้ใหญ่และได้จัดสรรพื้นที่ดินส่วนหนึ่ง72ไร่ครึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นวัดชื่อว่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามซึ่งจะ ก, กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือคนละคณะบุคคลคนละนะโยบายกับวัดพระธรรมกายที่จังหวัดปทุมธานีจรพงครั บ, รรบก็คงจะเป็นที่กระจ่างนะครับหลายท่านที่สงสัยสองคถามนี้แล้วก็ฝากรายการ พบผู้นํามาเรียนน้ำมัศการถามประเดชพระคุณหลวงพ่อวันนี้กระจ่างนะครับวัดหลมงมสดธรรมกายยารามที่อําเภอดำเนินสะดวกนั้นสําหรับชนทุกชนชั้นวันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายที่จังหวัดประทุมธานีครับขอบค่าแถมนิดหนึ่งเรียกว่าทุกฐานะดีกว่าไม่ใช่ทุกชนชั้นแทุกฐานะครับหลวงพ่อครับคงจะไปถึงประเด็นที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกประเด็นหนึ่งก็คือ วัดหลวงพ่สถรธรรมกายยาราม น, นั้นเป็นวัดที่สร้างไม่นานแต่ว่าได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนมากมายทั้งในท้องถิ่นแล้วก็ในที่ไกลไกลแม้ในต่างประเทศก็ตาม mm. หลวงพ่อครับในกิจกรรมของวัดหลวงพ่สดเองที่สามารถจะดึงพี่น้องประชาชนเข้าวัดได้มากมายขนาดนี้กิจกรรมหลักๆของวัดตรงนี้เป็นยังไงครับหลวงพ่อครับเ อ, อ, เอ๋อเจริญก่อนอันนี้ขอให้ย้อนไปถึงที่อาตมากล่าวเมื่อกี้ว่ามีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อสร้างพระในใจตนและเพื่อสร้างพระในใจคนอื่น นี่เป็นวัตถุประสงค์หลักและเมื่อทําเช่นนั้นประการแรกก็คือว่าจะต้องสร้างคนของเราบุคลากรของเราให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสร้างพระในใจตนเองนี่ก่อนโดยประการว่าวัดนี้เป็นทั้งสํานักเรียนพระปริยัติธรรมรเปิดการเรียนการสอนภาคปริยัติธรรมคือหลักธรรมทั้งแผนกนักธรรมและบาลีนักธรรมตรีโทเอกไปจนถึงาบาลีชั้น เปลี่ยนธรรม 6-7 ประโยคก็เปิดสอนขณะนี้ก็มีพระที่อยู่จำพรรษาถึง90รูปนะฮะและมีสามเณรอีก33รูปที่จะต้องได้รับการศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมภาคปริยัติธรรมอย่างนี้และนอกจากเป็นสำนักเรียนแล้วก็เป็นสำนักปฏิบัติพระกรรมฐานคือว่าต้องการให้บุคคลบุคลากรภายในของเราคือพระภิกษุสามเณรของเรานั้นได้ทั้งศึกษาหลักธรรมคือพระปริยัติธรรม และทั้งอบรมกายวาจาใจของตนเพื่อสร้างพระในใจตนด้วยการปฏิบัติพระกรรมฐานคือเจริญภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นทั้งสำนักเรียนและสำนักปฏิบัติด้วยประกาศนี้เนี่ยนี่นคือประการสําคัญเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากิจกรรมหลักเบื้องต้นคือการสร้างคนสร้างพระในใจตนนี้เรามีทั้งการเรียนการสอนภาคปริยัติธรรมและภาคปฏิบัติภาวนาธรรมคือพระกรรมฐาน แต่ว่าเมื่อได้สร้างพระในใจตนพอสมควรแล้วเราก็ขยายการให้การศึกษาอบรมผู้อื่นเป็นการสร้างพระในใจคนอื่นต่อไปเจริญพรครับก็ท่านผู้ชมท่านผฟังครับกําลังน่าสนใจทีเดียวสําหรับกิจกรรมของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามที่อำเภอดำเนินสะดวกครับแต่ว่าเวลาช่วงนี้คงจะต้องขออนุญาตพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงที่สองของพบผู้นําช่วงนี้พักสักครู่ครับ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 เปิดโอกาสให้สาธุชนกราบนมัสการอย่างใกล้ชิด ต, ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกใจเข้าวัดไซสกราบพระพุทธชัยมงคล กลับมาพบกับช่วงพบผู้นําช่วงที่สองของวันนี้ครับผมกําลังสนทนาอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชัยมังคโลเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับในเรื่องกิจกรรมของวัดที่น่าสนใจที่ได้สนทนากับพระเดชพระคุณค้างไว้เมื่อสักครู่นะครับหลวงพ่อครับอีกเรื่องหนึ่งที่คงจะต้องขออนุญาตเรียนถามซึ่งค้างเมื่อสักครู่นี้ก็คือกิจกรรมของทางวัดที่หลากหลายตรงนี้คงจะต้องขอให้หลวงพ่อได้พูดกับพี่น้องประชาชน ให้พูดกับท่านที่กําลังติดตามรับชมรับฟังว่ากิจกรรมของวัดหลวงพ่สดนั้นที่ผ่านมาแล้วก็ที่จะดําเนินต่อไปตรงนี้มีอะไรบ้างครับพ่อจันทร์พรและก็ขอบคุณมากเลยทีเดียวจันทร์พรญาติโยมสาวุชนทุกท่านนะสำหรับกิจกรรมวัดหลวงพ่สดธรรมกายารางที่มีนั้นอธรรมภาพใครจะแบ่งกล่าวออกเป็นสองประเภทนะประเภทที่1ก็คือนี้นี่หมายจะพ่อการอบรมนะ การอบรมพระกรรมฐานเพรา ะ, ระเรื่องปริยัติธรรมนะพูดไปแล้วน ะ, ะก็เหลือการอบรมพระกรรมฐานก็จะขอกล่าวเป็นสองป ร, ประเภทประเภทหนึ่งคือภายในวัดครับภายในวัดนี้เรามีทุกวันการเจริญภาวนาธรรมมีทุกวันหลังทําวัดเช้าเย็นเพราะฉะนั้นสาธุชนเข้าไปรับการอบรมได้หลังทําวัดเช้าเย็นนอกจากนั้นมีทุกวันเสาร์ต้นเดือนและทุกวันพระไม่จําเพาะแต่ในระหว่างฤดู เข้าพรรษานะตลอดไปทุกวันพระก็สาธุชนเข้าไปรับการศึกษาอบรมและบำเพ็ญกุศลได้เช่นทำบุญตักบาตรเหล่านี้เป็นต้นและในวันเสาร์ต้นเดือนอย่าลืมนี่มีเป็นประจำอะนอกจากนั้นก็มีการอบรมหลักสูตรใหญ่ๆอยู่หลายหลักสูตรประการแรกคืออบรมประจาปีเรียกว่าอบรมพระกรรมฐานประจำปีซึ่ง เราได้ชี้ชวนเชิญชวนหรืออาราธนาพระภิกษุสามเณรสาวทุชนจากทั่วประเทศมาเข้ารับการอบรมปีละสองครั้งคือรุ่นปลายปีนี่เหมือนอย่างจะถึงนี้คือระหว่างวันที่1นึ่ถึงสิธันวาคมและรุ่นกลางปีระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤษภาคมเหล่านี้ก็ขอเชิญสาธุชนมาเข้ารับการอบรมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมสาวทุชนผู้ประสงค์มาถือศีลแปด และโดยเฉพาะลงไปอีกก็คือสุภาพสตรีมาบวชที่เขาเรียกกันทั่วๆไปว่าฉีพรามหรือที่วัดเราเรียกว่าบวชเนกขมัจจารีนีนี่มาอยู่ประพฤติปฏิบัติทำได้ระหว่างการอบรมพระกรรมฐานสองรุ่นคือรุ่นกลางปี1นึถึงสิพฤษภาและรุ่นปลายปี1นึ่ถึงสิธันวาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งธันวาคมที่จะถึงนี้ก็ขอเชิญมาได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะให้การศึกษาอบรม เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยและเพื่อความเจริญความบริสุทธิ์กายวาจาใจของตนด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยนี่เป็นเรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นสำคัญประจำปีอนอกจากนั้นในเดือนเมษายนก็เปิดรับสมัครการอบรมธรรมปฏิบัติแก่เยาวชนทั้งชายหญิงอันนี้เฉพาะเยาวชนชายหญิง เยาวชนที่เป็นเด็กอายุยังไม่ถึง20ปีเราก็รับบวชเนรและที่20ปีขึ้นไปเราก็รับบวชพระนะฮะแต่ว่าสุภาพสตรีรับบวชเนคขมมะจารีนีคือถือศีลแปดโดยไม่ต้องปลงผมนี่ก็เข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งไปเกือบตลอดเดือนเมษายนแต่ปกติก็จะอยู่ภายในวันที่22ถึง23เมษายนนี่ของทุกปี สำหรับสุภาพสตรีก็ 1-15 แต่การบวชสามเณรนั้นต้องมีการอบรมก่อน7วันจึงต้องบวชต่อไปอีก15วันก็เป็น 22-23 วันอย่างนี้เป็นต้นและหลายๆายรายที่อยู่ต่อไปถึงการอบรมรุ่นกลางปี 1-14 พฤษภาต่ออีกก็มีมีมากนี่นอกจากนั้นเรายังมีการอบรมประจำเดือนเปิดรับการอบรมนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการที่มาขอเข้ารับการอ บ, อบรมเป็นกลุ่มๆตั้งแต่ 30, 50, 60ถึง100ถึง500โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนั้นก็จะมีผู้มาเข้ารับการอบรมประมาณรุ่นละ 300-500 ถึงเรารับเปิดอบรมได้เพียงเดือนละสองรุ่นไม่งั้นเกินกำลัง mm hmm. แปลว่าแต่ละเดือนนั้นเปิดการอบรมตลอดจากการขอมาเข้ารับการอบรม จากสำนักต่างๆสถาบันการศึกษาต่างๆนอกจากนั้นในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเช่นวันอาสารหะบูชาวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาเหล่านี้เป็นต้นก็มีการปฏิบัติธรรมบาเพ็ญกุศลและเวียนเทียนเป็นประจำเริ่มตั้งแต่9ก้านาฬิกาไปเสร็จสิ้นการเวียนเทียนเอาเวลาประมาณ 17บเนาฬิกาหรือสิบหนาฬิกาประมาณนั้นนะฮะก็เปิดการบําเพ็ญกุศลอย่างนี้และในวันสําคัญของประเทศชาติเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏอย่างนี้ทางคณะจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยคณะข้าราชการพ่อค้าประชาชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายเครือข่าและคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีมีเจ้าคณะ จังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเจ้าคณะภาคโดยปกติหรือไม่ก็เจ้าคณะใหญ่ผลกลางซึ่งเราจะขอรัฐนาท่านมาเป็นประธานใหญ่สงฆ์อีกทีหนึ่ง<ม>ก็จัดงานเจริญกิจกภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านและในบางครั้งเราก็จะมีการไถ่ชีวิตโครหรือว่าปล่อยปลาปล่อยสัตว์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนี้กล่าวโดยเฉพาะภายในวัดนะ ทีนี้ส่วนภายนอกวัดก็มีเป็นประจําที่สํานักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายศาลาการเปลี่ยนวัดสเกตราชวรมหาวิหารซึ่งมีเป็นประจําทุกวันอาทิตย์นะฮะเวลาตั้งแต่9ก้นาฬิกาไปถึง14บสนาฬิกาและมีเป็นประจําที่มสทมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชทธิราัฐนั้นก็มีทุกวันพฤหัสบดี ดาที่สองและที่สของเดือนระหว่างเวลา11บเนาฬิกาไปถึง13บสนาฬิกาเช่นเดียวมีเป็นประจําทุกวันพฤหัสบดีที่ธนาคารชาธนาคารจำกัดนั่นถนนเพชรบุรีตัดใหม่นั่นก็มีตั้งแต่เวลา11บเนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกาแล้วก็มีเป็นประจำอย่างนั้นทุกวันพฤหัสบดีบนี้ก็เป็นเรื่องของภายในกรุงเทพมหานคร แต่นอกจังหวัด อ, อไปเราจัดหน่วยพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเคลื่อนที่ออกไปให้การศึกษาอบรมภายหลังจากที่มีการสอบประยะิยัติธรรมเสร็จแล้วก็จะมีคณะวิทยากรพระวิทยากรออกไปให้การศึกษาอบรมในท้องที่ต่างๆทั้งภาคเหนือภาคอีสานในภาคกลางและภาคใต้โดยเราจัดโครงการอบรมร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมที่เคยมาศึกษาอบรมที่วัดเราแล้วกลับไปเปิดการสอนที่วัดของท่านแล้วก็เปิดโครงการอบรมประจําปีที่วัดของท่านก็จัดให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เราจะสามารถออกไปได้แต่ละภาคเราก็จัดออกไปอย่างนี้ทั้งหมด4ภาคนะภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้อันนี้เราก็จัดเป็นประจําทุกปีมาน ะ, จะเจริญพร หลวงพ่อครับเคยได้ยินรายการของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามทางสถานีวิทยุตรงนี้ก็ใช่ด้วย<อ>ใช่ไหมโอ้ใช่อันนี้ถ้าจะว่ากิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมใหญ่นะฮะเพราะว่าก่อนอื่นก็คือว่าอาตมาเองนั้นได้รับอาราธนาใหอ้ออกอากาศในรายการปราสกถฏธรรมทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นก็เริ่ม8ปดนาฬิกานะ และนอกจากนั้นก็ท่านพระมหาสุบรรณก็ได้จัดรายการวิทยุต่างๆออกอากาศอีกกว่า30สถานีนะทั่วประเทศแล้วก็มีการจัดพิมพ์หนังสือเอกสารและเทปสอนภาวนาธรรมทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศมีภาษาอังกฤษภาษาจีนเป็นต้นอันนี้ให้การศึกษาอบรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งที่มาและที่ไป หลวงพ่อครับนี่คือในส่วนของมีการเผยแพร่พุทธศาสนาในส่วนของวัดลมพ่สถในประเทศไทยซึ่งฟังตรงนี้แล้วคงจะทุกกิจกรรมที่มีอยู่ในส่วนต่างประเทศหลวงพ่อครับมีไหมครับที่ทางวัดหลวพ่สถเองได้ไปเผยแพร่พุทธศาสนาตรงนี้ด้วยครับอ๋อมีเจริญพรแต่ว่าขณะนี้บางส่วนพระมหาเถระผู้ใหญ่ประสงค์จะให้อัตมาพักผ่อนจะให้ไปมากนะเพราะว่าแก่แล้วคือว่าเคยไป ให้การศึกษาอบรมภ <Okay. S 2> าวนาธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งมีผู้ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาและครูอาจารย์ในระดับชั้นปริญญาตรีโทอีกนี่ก็อารัธนาไป <Okay. S 2> นะฮะและ้วอาตมาจะไปปีละประมาณเครึ่งเดือนหรือเกือบเดือนหนึ่ง <Okay. S 2> ะฮะไปทางประเทศสหรัฐอเมริกา <Okay. S 2> เคยไปทุกปีติดต่อกันเป็นเวลาสี่ป <Okay. S 2> ีและก็ นอกจากนั้นประเทศอื่นๆ อ, อย่างประเทศมาเลเซียก็ไปเป็นประจำะหลายปีมาแต่ว่าในระยะหลังนี้จะประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่ผลตะวันออกซึ่งเป็นประธานสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายได้อขอให้อาตมานี่หยุดพักผ่อนได้แล้วและให้ทากิจเฉพาะในประเทศไทยและให้ชาวต่างประเทศมายังประเทศไทยซึ่งขณะนี้ก็ เคยมีชาวรัสเซียมาถึงเกือบสิคนแต่อัตมาก็ให้เขากลับหมดนะเพราะว่าเขาไม่ยอมอยู่ในระเบียบวินัยของเราครับแต่ว่าขณะนี้มีอยู่ก็มีชาวอังกฤษชาวเดนมาร์กและกําลังจะมีชาวจีนจากพื้นแผ่นดินใหญ่สําเร็จชั้นปริญญาตรีแล้วเป็นพระแล้วนะกําลังจะมาบวชอยู่ที่วัดเราเป็นแบบเถรวาทในเดือนหน้านี้ก็จะมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะตั้งรับอยู่ที่นี่แทนที่เราจะไปเองอันนี้ก็เป็นนโยบายของพระผู้ใหญ่ซึ่งอัตมาได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วว่า พระผู้ใหญ่ของอวัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนี้อยู่ในความดูแลของพระมหาเถระผู้ใหญ่เจริญพรครับครับ <c oughs> ก็เช่นไรและเกินว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับกิจการกิจกรรมของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามนั้นก็คงจะนอกจากที่จะให้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยของเราได้รับได้ทราบซึ้งถึง พระพุทธศาสนาแล้วยังจะนําพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของดีประจําชาติไทยตรงนี้ไปเผยแผ่ยังชาวต่างชาติด้วยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังตรงนี้ครับหลวงพ่อครับช่วงท้ายตรงนี้สองนาทีหลวงพ่อมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนตรงนี้นี่หมดครับเอออาตมาอยากจะฝากอย่างนี้นะว่าช่วงนี้ทุกคนก็บ่นกันเรื่องเศร ษ, ษฐกิจอาตมาอยากให้พิจารณาว่าเศรษฐกิจในครอบครัวของแต่ละคน ที่ทรงดีอยู่หรือดีขึ้นหรือเลวลงเพราะเหตุไ ร, รเหตุสำคัญที่สุดก็อยู่ที่กรรมของเรากรรมของเราก็คือว่าตั้งแต่เด็กถ้าเป็นผู้ได้รับการ อ, อบรมศีลธรรมอยู่ในศีลในธรรมการศึกษาเล่าเรียนก็จะสามารถสาเร็จได้อย่างน้อยที่สุดรู้จักคบเพื่อนที่ดีไม่หลงคบเพื่อนที่ไม่ดี ที่จะชักนําไปในทางเสียเช่นไปเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไปหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกรรมทําให้เสียการศึกษาเล่าเรียนแต่ถ้าว่าอยู่ในศีลในธรรมตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วก็จะสามารถเรียนสําเร็จสูงสูขึ้นไปให้เป็นคนมีความรู้รเมื่อมีความรู้สูงก็มีความสามารถเมื่อมีความสามารถก็มีสติปัญญาคนเราเมื่อมีสติปัญญาด้วยมีคุณธรรมด้วย การที่จะดาเนินชีวิตของตนให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงย่อมเป็นไปได้ง่ายและไม่ต้องเสียหายแต่ที่เสียหายนั้นเพราะหลายเหตุหลายปัจจัยแต่เหตุปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการขาดศีลขาดธรรมไม่ใช้พระสัจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจาวันเมื่อเป็นอย่างนี้การดาเนินชีวิตจึงบกพร่องและเสียหาย และเมื่อเสียหายบกพร่องลงไปแล้วเช่นในระยะเวลาที่แล้วมานี้มีการใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายเรียกว่าประชาชนหลายส่วนที่ไม่มีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายเงินแม้กระทั่งการผลิตและการอุตสาหกรรมาการพาณิชย์การเงินการธนาคารการคลังทั้งหลายอย่เหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายเขาเรียกว่าเ ศ, ษศรษฐกิจฟองสบู่ก็คือไปกู้เงินเขามาได้ง่ายๆดอกเบีย้ยต่าๆก็ใช้จ่ายสรุ่ยสุร่าย นี่ไม่อาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อฟองสบู่มันแตกนี่แหละคือปัญหาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ก็บอกว่ามีการ เ, เลิกจ้างงานอะไรอะไรทั้งหลายท่านลองคิดว่าถ้าท่านมีความรู้มีความสามารถมีสติปัญญามีคุณธรรมการที่จะถูกเลิกจ้างมันก็จะยากลงไปทุกทีคือแปลว่ามีโอกาสมั่นคงในชีวิตทำงานและแม่จะถูกเลิกจ้างคุณโยง่ายนิดเดียวคนที่มีความรู้ความสามารถมีศีลมีธรรมมีม อย่างนี้แล้วการประกอบอาชีพให้ดำรงคงอยู่ได้ด้วยดีนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายที่สุดไม่ยากเลยนะเพราะฉะนั้นจงหันหน้าเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมท่านจะไม่รู้จักตกต่ำเจริญพรที่จบไปนั้นก็เป็นการสนทนาของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคลโลกับคุณอภิชาญปานปรีชาพิธีกรรายการพบผู้นาของสถานีเคเบิลทีวีช่อง15ราชบุรี สำหรับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของวัดหลวงพ่สดธรรมกายารามรวมถึงการเผยแพร่ธรรมปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายสาธุชนก็ได้รับฟังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชัดเจนแล้วและช่วงท้ายยังมีฝากข้อคิดและหลักธรรมให้แก่สาธุชนในยุคภัยวิกฤตเศรษฐกิจกำลังเล่นงานอยู่ในขณะนี้โอกาสหน้าทางรายการจะได้นำธรรมะและสารธรรมมาเสนอแด่ท่านสาธุชนอีก